พวเราจะเคยได้ยินสำนวนสำนวนหนึ่งที่เขาใช้เปรียบเปรยนะถึงคนประเภทหนึ่งนะออย่างที่เขาเรียกว่าอะไรนิ่งเป็นหลับขยับเป็นกิน น, ะนิ่งเป็นหลับนะขยับเป็นกินแต่งที่เขาไม่ใช้คําว่ากินนะสำนวนจริงเขาใช้คําว่าแดกนะนิ่งเป็นหลับขยับเป็นแดกนะนนี้หมายถึงคนนะคนกลุ่มหนึ่งซึ่งถ้าอยู่นิ่งๆเมื่ อ, อไรก็หลับนะ ตื่นขึ้นมาก็จะเอาดีในทางการบริโภคนะกินตลอดเวล า, าคนประเภทนี้ก็จะว่าไปก็มีไม่มากแต่ว่าส่วนใหญ่จะเป็นแบบนี้มากกว่านะคือนิ่งเป็นหลับนะขยับเป็นฟุ้งนะถ้าอยู่นิ่งเมื่อไหร่ก็หลับนะแต่ถ้าขยับหรือตื่นก็จะฟุงนะนะฟ้งฟุ้งทั้งวันเลยนะ ไม่ว่าทำอะไรใจก็ฟุง้งกินข้าวปากกินแต่ใจก็ฟุง้งนะหรือว่าถูฟันอาบน้ำใจก็คิดล่องลอยไปไดนะ แ, ตนะแต่บางทีฟังธรรมใจก็ฟุ้งไปตัวอยู่นีนะ่แต่ว่าใจไม่รู้ไปไหนอันนี้เป็นลักษณะของคนส่วนใหญ่ก็ว่าได้นะถ้าอยู่นี่นึงมันมอไรก็เป็นหลับนะ แต่ว่าถ้าตื่นเมื่อไหร่หรือว่าขยับนะก็จะฟุง้งจริงจรงตอนหลับก็ไม่ใช่หลับเฉยๆนะหลับก็ฝันไปด้วยอย่างที่เขาเรียกว่ากลางคืนฝันกลางวันฟุง้งกลางคืนฝันกลางวันฟุ้งแต่ว่าก็ไม่จำเป็นต้องเป็นกลางคืนถึฝันนะเพราะว่ากลางวันแต่ถ้าอยู่นิ่งๆไม่ขยันขยับก็บ ก, ก็หลับเหมือนกันแล้วก็ฝันเอาคนส่วนใหญ่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 แต่ว่าถ้านิ่งเมื่อไหร่ก็เป็นหลับเมื่อนั้นถ้าไม่ได้เยเื่อนขยับมือนะนั่งนิงน่งๆก็เป็นอันหลับอันนี้ก็เรียกว่าก็ยังดีนะมีพัฒนาการนะจากเดิม น, นิ่งเป็นหลับขยับเป็นฟุง้งก็เปลี่ยนมาเป็นนิ่งเป็นหลับนะขยับเป็นรู้สึกตัวหรือว่าขยับก็รู้สึกตัวงั้นใหม่ๆนี่ก็ต้องขยับนะต้องขยับ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 ก็จะง่วงนะแล้วก็หลับถ้าปฏิบัตินะเราต้องอย่าไปอย่าหยุดอย่าพอใจแค่นี้นะจะต้องไปให้มากกว่านี้แต่ส่วนใหญ่ถ้าปฏิบัติไม่ถูกนะก็จะรู้สึกตัวแต่เฉพาะตอนขยับนะยกมือสร้างจังหวนะแต่ว่าพอนั่งนิ่งๆ น, นะก็จะค่อยๆเคลิ้มหลับไป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 ความสึกตัวค่อยๆหายไปและความง่วงหรอถอ่นนิมิตาก็มาแทนที่คงคล้ายๆกับไฟฉายนะไฟฉายบางชนิดนี่ถ้าบีบหรือว่าหมุนมันก็จะมีไฟนะมันมีไดนาโมอยู่ข้างในบางทีเราไขาลานประเดี๋ยวเดียวไขาลานไม่นาน มันก็มีไฟอยู่ในนั้นเนี่ยนานเป็นชั่วโมงแต่ว่าพอใช้ไปนานๆเข้าหรือว่าสารไฟฉายที่เฝยฉายที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่เราไขาลานไปได้สักพักไอตอนไขาลานมันก็สว่างนะแต่พออยู่ไขาลานมันก็ค่อยมอดเพราะว่ามันเก็บไฟได้ไม่นานก็ต้องก็ต้องหมุนต้องไขาลานอยู่เรื่อยๆ หยุดขายร้านเมื่อไหร่ไฟก็ค่อยมอดเมื่อกัรนับปฏิบัติจำนวนมากะจะรู้สึกตัวได้ก็ตอนยกมือสร้างจังหวะหรือเดินจงกรมแต่ว่าพอหยุดสร้างจังหวะอยู่นิ่งๆนะความสึกตัวกค่อยลดลงลดลงลดลงเหมือนกับไฟที่ค่อยหลีลงลีลงแล้วก็ดับก็คือง่วงแล้วก็บางทีก็สับประงกไปเลยอันนี้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 แต่ว่าความรู้สึกตัวที่เกิดขึ้นจากรลมหายใจที่คข้แล้วออกก็ยังรับรู้ได้หรือว่าตาที่กระพริบหรือว่ากลืนน้าลายไอย้พวกนี้เป็นความเป็นมันสามารถจะเป็นตัวสร้างความรู้สึกตัวให้เกิดขึ้นได้ไม่ใช่ว่าจะต้องสร้างจังหวะหรือว่าเดินจงกรมอย่างเดียวถึงจะรู้สึกตัวหยุดสร้างเมื่อไหร่หยุดเดินจงกรมเมื่อไหร่นั่งเฉยๆนะก็จะค่อยๆง่วงโง่ อันนั้นจะแสดงว่าความสึกตัวของเรามันยังมันยังไม่ดีพอนะที่จริงแล้วเนี่ยแม้ขณะที่นั่งนิ่งๆมันก็มีความรู้สึกมันมีความเคลื่อนไหวเกิดขึ้นตลอดเวลาถึงแม้จะไม่ได้ยกมือถึงแม้จะไม่ได้เดินเป็นความเคลื่อนไหวที่ค่อนข้างประณีตนะเช่นลมหายใจเข้าและออกนะสังเกตไหมลมหายใจเข้าออกนี่หรือว่า หรือน้ำลายนะมันก็เป็นเป็นสิ่งที่สร้างความรู้สึกตัวหรือปลุกความรู้สึกตัวให้เกิดขึ้นได้หรือแม้แต่การกระพนะระิบตาก็รู้สึกตัวหลวงพ่อเทียนท่านสอนให้ให้มีความรู้สึกในอิเลียบทที่เล็กน้อยนะไม่ใช่ว่าจะรู้สึกตัวแต่เฉพาะเวลาเดินจงกลมสร้างจังหวะนะถ้า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 มีความที่ฉลาดในการสร้างความรู้สึกตัวเพราถึงแม้ว่าเรานั่งนิ่งๆมันก็ยังมีการเคลื่อนไหวอยู่ในกายของเราอย่างที่บอกเวลาเช่นลมหายใจเข้าออกนะหรือว่าการคลึงนิ้วคลึงนิ้วก็ยังหยาบอยู่นะถึงวมาไม่คลึงนิ้วแต่ก็ยังรู้สึกได้ถึงลมหายใจที่เข้าและออกยังรู้สึกได้ถึงตาที่กระพริบยังรู้สึกได้ถึงน้าลายที่กลืนลงไป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 ด้วยแม้เพียงการคยืนขยับเพียงเล็กน้อยลมหายใจเข้าออกนะรู้สึกเกลือน้ําลายก็รู้สึกหรือว่ากระพริบตาก็รู้สึกหรือว่าถ้ายังทําไม่ได้แนละ้วก็ใช้วิธีการคลึงนิ้วไปก็ไดนะ้อย่าไปติดอยู่กับการสร้างจังหวะอย่างเดียวนะพรพออยู่สร้างจังหวะเมื่อไหร่ก็จะง่วงงกได้ง่าย เพราะว่าไปคุ้นชินกับการเคลื่อนไหวแบบหยับๆต้องลองรู้สึกตัวด้วยการเคลื่อนไหวที่ละเอียดนะกว่าเดิมการคลึงนิ้วการพลิกมือไปมานะการกือน้ำลายการหายใจเข้าออกการกระพริบตานะเพราะฉะนั้นเนี่ยแม้ว่าดูเหมือนนั่งเฉยๆแต่ที่จริงแล้วเนี่ยนะรับรู้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 ที่ย่อยลงไปอย่างที่บอกนะการคลึง น, นิ้วก็ดีนะการตามลมหายใจการกระพริบตาเกลือน้ําลายนะให้เราใช้ลองใช้อิเลียบทย่อยอย่างนี้ดูบ้างเมื่อเป็นเช่นนี้นะันก็ไม่ใช่แค่ว่าไม่ใช่ว่าดิ่งเป็นหลับนะขยับถึงรู้สึกนะแต่วขาจะพัฒนาเป็นว่านิ่งก็รู้สึกขยับก็รู้สึกนะ ขั้นไขก็ตามที่ว่านิ่งเป็นหลักขยับถึงจะรู้สึกเนี่ยนะก็ต้องต้องพัฒนาอย่างรู้ว่าให้รู้ว่าเนี่ยให้สัมปชัญญะหรือความรู้สึกตัวของเรานี่มันยังมันยังหยากอยู่ก็ให้ทําใช้อิเลิบบทละเอียดใช้อิเลิบบทย่อยเพื่อที่สามารถจะปลูกความรู้สึกตัวได้เมื่อนิ่งนะก็รู้สึกตัวได้ไม่ใช่ว่านิ่งแล้วก็เป็นอันเป็นสับปะงกง่วง อันนี้แหละมันก็จะทำให้นะความสุกตัวงเราเกิดขึ้นได้อย่างต่อเนื่องหนึ่งก็รู้สึกนะขยับก็รู้สึกนะรู้สึกนี้นี่คือรู้สึกตัวถึงแม้ว่าอาจจะไม่มีการเคลื่อนไหวไกายอย่างหยับหยาบเพนะียงแค่มีการเคลื่อนไหวไกายอย่างละเอียดนะเช่นกระดิกนิ้วนะหายใจเข้าออก ตื่นน้ำลายกระพริบตานะก็รู้สึกได้เราก็จะเรียกว่าตื่นรู้อยู่เสมอนะตรงนี้เนี่ยนะมันเป็นมันเป็นมันเป็นสิ่งที่เรานะควรจะฝึกให้มันรู้ตัวซึ่งจะทำให้เรามีความรู้สึกตัวได้อยู่เสมอนะไม่จําเป็นว่าจะต้องเคลื่อนไหวขยับให้มันแรงๆหรือว่าชัดๆนะหรือว่า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 เหมือนกับว่าโต๊ะนี่แต่ก่อนมันก็มีของวางอยู่เต็มโต๊ะไปหมดนะต่อมาเราก็ค่อยๆเอาของออกไปทีละชิ้นทีละชิ้นก็ดูเหมือนว่ามันมันโลง่งมันว่างนะแต่ดูดีๆมันยังไม่สะอาดนะมันยังไม่สะอาดมันยังมีคราบนะมันยังมีฝุ่นเกาะใจเราเริ่มละเอียดมากขึ้นก็เห็นว่าถึงแม้ว่า จะเอาของออกไปจากโต๊ะแล้วแต่มันก็ยังไม่สะอาดมันจะมีคราบมันยังมีมงมฝุ่นเกาะ อ, อยู่นะเราก็ก็ค่อยเช็ดค่อยๆถูมันออกไปตอนนี้มันก็สะอาดมากขึ้นแต่ถ้ า, าดูอีกที้มันก็ยังไม่สะอาดทีเดียวนะเราจะเห็นความความาความสกรปรกที่เกาะแม้แต่เป็นแค่ฝุ่น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 แม้แต่การเคลื่อนไหวที่เล็กๆน้อยๆก็สามารถจะขยำจิตให้ตื่นได้เช่นกับพิบตากลือน้ำลายนะตามลมหายใจนอะกปฏิบัติก็ต้องนะต้องฝึกการใช้ออลิยาบทย่อยเิลิยาบทที่ประณีต ด, ด้วยนะไม่งั้นถ้าเกิดว่าไปติดอยู่กับแค่การใช้การเดินจงกรมหรือการสร้างจังหวะ เวลาเราไปที่อื่นเนี่ยเช่นเวลาเรานั่งรถประจำทางหรือว่าเราไปนั่งฟังเราอยู่ในห้องประชุมถ้าเราจะไปยกมือสร้างจังหวะนะมันก็ก็ดูจะแปลกตาไปไอเดินจังกลมันเดินไม่ได้อยู่แล้วนะเราก็ต้องรู้จักใช้อเรียบทย่อยนะที่จะทำให้เราเกิดความสึกตัวนะ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 ให้การเพ่งเนี่ยเพ่งจอดๆเนี่ยนะมันทําให้ไม่เข้าใจนะสิ่งที่พูดได้อย่างต่อเนื่องเราต้องรับรู้อย่างห่างๆนะหรือเรียกว่ารับรู้อย่างพอดีพอดีเอาจิตมาจดจ่ออยู่กับคําพูดอย่างชัดเจนทุกคําทุกคําทุกคํานี่ฟังจบประโยคอาจจะไม่รู้เลยว่าทั้งประโยชน์เนี้พูดว่าอะไร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 มันต้องพอดีพอดีนะความสึกตัวเนี่ยมันคือการวางใจพอดีพอดีไม่เผลอแล้วก็ไม่เพ่งนะหรือว่าไม่ปล่อยใจลอยแล้วก็ไม่เพ่งมันอยู่ตรงกลางนะไปจ้องมากนะเดี๋ยวว่าแต่คำพูดเลยนะที่อาจจะฟังไม่ชัดเจนหรือไม่ได้ยินที่ท่วนว่าพูดอะไร เวลาเราดูก็เหมือนกันนะเวลาเราดูอย่างเวลาเราดูภาพเนี่ยดูภาพใหญ่ๆเนี่ยเราต้องดูรวมๆถ้าเราไปจ้องที่มุมใดมุมหนึ่งนะเราก็จะไม่เห็นภาพรวมของภาพนั้นก็ไม่เข้าใจว่าภาพนั้นเขาต้องการสื่ออะไรไการเพ่งเนี่ยมันไม่ใช่ว่าจะทำให้เห็นชัดนะบางทีมันทาให้กลับทำให้ไม่ชัดเจนในสิ่งที่รับรู้เดยซ้ำไม่ว่าจะรับรู้ทางตาหรือว่ารับรู้ทางทางหู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 ถ้าไม่เพ่งก็ใจลอยมันเป็นความสุดโต่งสองอย่างถ้าไม่เพ่งก็ใจลอยนะถ้าไม่อยากให้ใจลอยก็ต้องเพ่งก็คือการบังคับจิตนะนี่เป็นเป็นธรรมชาติของใจนะแต่ว่าเพราะนั้นพอเวลาเริ่มมาฝึกให้ใหมีให้รู้สึกตัวเนี่ยมันอดไม่ได้ที่จะเพ่งเพ่งที่มือนะเพ่งที่เท้า แล้วมันก็จะหลอกเรานะว่าเป็นวิธีที่ถูกเพราะว่ามันรู้สึกชัดเจนดีเวลาเราเพ่งเนี่ยเพ่งที่ท้าเพ่งที่มือมันจะชัดเจนมากแต่ว่าชัดเจนมากๆนี่ไม่ใช่ไม่ใช่วิธีที่ถูกนะหลวงพ่อเขียนเคยเปรียบว่าไอ้เวลาไปเพ่งเนี่ยเพ่งมือก็ตามเพ่งเท้าตามความรู้สึกมันจะมันจะให้ความรู้สึกเรียกว่าถีบยิบเหมือนกับคล้ายๆเป็นเหมือนกับเหล็กเส้นเหล็กเส้นนเนี่ยมัน มันเป็นเส้นเลยนะเป็นเส้นตรงไปเลยจากความรู้สึกตัวเนี่ยมันเวลารู้สึกตัวเวลาเคลื่อนไหวมือแล้วรู้สึกตัวเนี่ยมันจะเป็นขณะขณะขณะเปรียบเหมือนกับโซ่นะแต่ละข้ อ, แ ต, ขอแต่ละข้อที่เชื่อมร้อยกันโซ่กับหลกเส้นนี่มันต่างกันนะเทาความรู้สึกเนี่ยมันเหมือนกับเป็นโซ่นะคือค่อยๆรู้สึกแต่ละขณะแต่ละขณะต่อเนื่องกันนั่นแหละคือความรู้สึกตัว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 แล้วก็มันรู้สึกตัวใหม่รู้สึกตัวไปได้สักสามสี่ขณะหรือว่าเจ็ดแปดขณะแล้วก็ลืมตัวอีกในหะม่ๆเนี่ยโซ่นี่มันจะเป็นโซ่ที่ขาดเป็นช่วงๆช่วงๆนะเพราะความรู้สึกตัวที่มันขาดเป็นระยะๆทักปฏิบัติใหม่ๆก็จะไม่ค่อยชอบนะจะอยากให้รู้สึกตัวชัดๆมันก็เลยกลายเป็นเพ่งไปมันก็ไม่ใช่โซ่แล้วมันเป็นเล็กเส้นแทน แต่เล็กเส้นนั่นมันก็ประเดี๋ยวประดาบก็ขาดอีกนัเพราะว่าเผลอไม่ว่าจะเพ่งแค่ไหนไม่ว่าจะบังคับจิตแค่ไหนมันก็จิตมันก็ไม่อยู่ในอำนาจของเราเพราะจิตเป็นอนัตตามันก็มันก็หลุดไปไหลไปอดีตบ้างอนาคตบ้างให้เราคนที่ปฏิบัติใหม่ๆนี่หรือแม้แต่ปฏิบัติมานานนี่บางทีก็แย้มหมอระหว่างความรู้สึกตัวการเพง่งไอ้ฟุ้งเนี่ยพอจะรู้นะว่า เออมันต่างจากความรู้สึกตัวยังไงแต่ว่าจำนวนมากจะแยกไม่ออกระหว่างความรู้สึกตัวการเพ่งแล้วก็มักจะไปเผอเพ่งเอาเพราะว่ามันมันดูง่ายดีมันชัดเจนดีแต่ว่าทาไปทำไมก็จะพบว่ามันมันเครียดขึ้นมาความเครียดนี่มันเป็นมันเป็นมันเป็นบง่งตัวตัวชี้ตัวบ่งบอกว่า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 และ ว, ว่าส่วนใหญ่เนี่ยก้าอร์เ็ก็จะกั้นลมหายใจนะสังเกตนะเวลาสนเข็มเวลาเราตอนนั้นเราเพ่งและพอเพ่งเนี่ยมันจะกั้นลมหายใจและพอกั้นลมหายใจบ่อยๆนะก็จะเกิดอาการแน่นหน้าอกหน้ามืดแต่ว่าเราไม่ค่อยมีอาการแบบนี้กับการสนเข็มเพราะว่ามันทำประเดี๋ยวเดียวอทัก1ิบวินาทีหรือสองสามนาทีก็กจบนะแต่พอมาปฏิบัติเนี่ย เราปฏิบัติเป็นวันหลายชั่วโมงต่อเนื่องกันและพอเพ่งนะคอยจ้องความคิดนะมันก็จะอดกลั้นหายใจไม่ได้และพอกลั้นหายใจบ่อยก็จะรู้สึกหน้ามืดจะรู้สึกเครียดขึ้นมาอาการเหล่านี้มันมันบ่งบอกว่าทำไม่ถูกเราไม่ได้ใช้ความรู้สึกตัวแต่เ ร, เราใช้การเพ่ง นะซึ่งมันเป็นวิธีการที่ไม่ถูกต้องจากประโยชน์ก็มีนะเพราะว่ามันเป็นการเตือนให้เรารู้ว่าเราทำผิดแล้วอย่าไปอย่าไปพยายามดื้อรั้นทำต่อไปนี่คือสัญญาณเตือนว่าทำผิดแล้วเราค่อยอค่อยผ่อนผ่อนผ่อนจิตใจหรือว่าผ่อนความตั้งใจออกมาหน่อยนะตั้งใจมากก็ไม่ดีนะอย่างที่พระเจ้าได้สอนพระสนะ โกริวิษณ์พ่อกริวิสณ์นี้ตั้งใจปฏิบัติมากแต่ว่าทําความเพียรมากเกินไปแผมจะเอาให้ได้เอาให้ได้ต้องการจะบรรลุธรรมให้ได้ก็เดินจงกรมทั้งวันเดินจงกรมวันแล้ววันเล่าแต่ว่าเนื่องจากตั้งใจจะเอาให้ได้จะเอาให้ได้เนี่ยก็เลย create. เครียดแล้วก็เนื่องจากเป็นคนที่เท้าบางเป็นพวกสุขุมารชาตเท้าบางมาก เท้าก็แตกพอเท้าแตกแล้วก็ยังไม่เลิกแนละ้วก็พยายามที่จะทําต่อคลานไม่เดินไม่ได้ก็คลานนะเท้านี่เลือดก็ไหลซิบซิปทางนี่ยาวมีเลือดยาวมีเลือดยาวเป็นทางเลยทางจงกรมอนะก็ยังไม่เห็นไม่รู้ทําอะไรเลยแม้แต่น้อยก็ท้อแท้นะคิดว่าตัวเองนี่ไม่มี ความสามารถที่จะรู้ทาได้จนถ้าผู้เจ้าต้องเสด็จมาแล้วูเจ้าก็สอนสอนด้วยการเปรียบเทียบกับผินสามสายเพราะว่าพระสนะ เ, เคยเป็นคนที่ดิดผินก็ถามผระสนะวันเนี่ยถ้าพินเนี่ยมันขึงตึงไปเนี่ยเพราะไหมดีแล้วเพราะไหก็ไม่เพราะถ้าผินเนี่ยขึงหย่อนไปเพราะไหมไม่เพราะ ต้องขึงพอดีพอดีแล้ ว, วก็จากระต่าเนี่ยต้องให้มีความเพียรแต่พอดนะีให้มีความเพียรแต่พอดีเพียรมากไปก็ไม่สําเร็จเหมือนกันนะเพียรน้อยไปก็ไม่ถูกพระสนะก็เข้าใจนะแล้วก็วางใจพอดีคําว่าเพียรแต่พอดีเนี่ยนะจริงๆแล้วท่านก็หมายถึงวางใจพอดีพอดีนะยิ่งคิดจะเอาคิดจะเอาหรือคิดจะไปห้ามความคิดนี้ก็ยิ่งยิ่งทําให้เครียดมากขึ้น ได้ส่วนใหญ่ที่เพ่งเนีเพราะว่ามันคิดอยากจะเอาชนะความคิดอยากจะไปห้ามความคิดอยากจะให้หยุดคิดนอันนี้เรียกวาวางใจไม่ถูวกวางใจไม่ถูกต้องวางใจต้องวางใจพอดีพอดีความวางใจพอดีนี่ทาให้ความเพียนะนั้นมันพอดีไปด้วยถ้าทําความเพียนแต่พอดีแล้วทําได้เรื่อยๆนะทาได้เรื่อยๆแต่ถ้าทําความเพียนไม่พอดีตึงไปเนี่ยมันทําได้สักพักไม่นานก็ไม่ไหวแล้ว เหนื่อยทั้งกายเหนื่อยทั้งใจทางสายกลางกับความเพียรแต่พอดีนี่เป็นคนละอันกันนะความเพียรพอดีท่านมีคำนี้เรียกว่าวิริยสัมมาตาวิริยสัมมาตาคือการทําความเพียรแต่พอดีอันนี้แหละน ะ, ะนักปฏิบัติเนี่ยถ้าเราทําความเพียรแต่พอดีเนี่ยไอการเพ่งการจ้องเนี่ยมันก็จะค่อยๆค่อยๆ ค, ค, คลายไปการ การความรู้สึกตัวเนี่ยมันก็จะค่อยเกิดขึ้นมาได้จากการที่เรามีความเพียรแต่พอดนะีอันนี้มันคนละเรื่องกับทางสายกลางทางสายก ล, า ง, า, ง า, ยกลางนี่ก็ว่าไปอันนึงแต่ว่าความเพียรแต่พอดีก็จําเป็นเหมือนกันนะที่จะทำให้การปฏิบัติเจริญก้าวได้ได้คนที่คิดแต่จะเอาคิดจะเอาคิดจะตะปบความคิดให้ได้เนี่ยสุดท้ายก็จะเครียดพอเครียดแล้วก็ท้อแท้ ก็นะจะปฏิบัติได้ไม่นานงั้นการวางใจแต่พอดีนี่สําคัญมากในะนความรู้สึกตัวเนี่ยมันจะเกิดขึ้นจากการที่วางใจพอดีพอดนะีจะเผลอบ้างจะฟุ้งบ้างก็ช่างมันนะหลวงพ่อคําเขียนท่านก็เน้นอยู่เสมอนะไอ้คําว่าช่างมันช่างมันะอันนี้สําคัญมากช่างมันไนะม่ทําให้ระวังใจเป็นก็ค่อยวางใจเป็นกลางเป็นกลางมากขึ้น แล้วก็ทําให้ความสึกตัวเนี้ค่อยๆเกิดขึ้นมาค่อยๆเกิดขึ้นมาในงานนี้ถ้าจะเอาถ้าทําด้วยความอยากเนี่ยมันอดไม่ได้ที่จะเพ่งแล้วพอเพ่งแล้วยังก็ผิดทางแล้วนะรู้ก็ใหม่ๆก็รู้ก็ช่างไม่รู้ก็ช่างทําไปเรื่อยๆนะเผลอบ้างนะรู้บ้างก็ไม่เป็นไรทําไปเรื่อยๆเมื่อวางใจพอดีนะความสึกตัวก็จะค่อยๆค่อ ย, อ ย, อยจเจริญงอกงามมากขึ้น อ๋อะคำนี้ก็พึ่กับทนนี้